มีวัตถุประสงค์ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วคือเพื่อจะพัฒนาพุทธสถานแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปการทอดกระถินนั้นได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานเพราะตามพระวินัยพระในที่จะรับกระถินได้จะต้องมีไม่น้อยกว่าหรูปขึ้นไปจึงจะเป็นการถวายผ้ากระถินโดยสมบูรณ์ตามพระวินัยและอีกในหนึ่ง